ฟัสต mm, mm, mm. mm. ิเกเดงเลยสติเกเรงก็ได้ถ้าสติเกเรงแล้วใจจะเบาเบถ้าไปจงใจบังคับให้เกิดแน่นแน่นหนักหนักแน่นแ่นแข็งแข็งื้นแล้วหลับเป็นเวลก กิเลสเกิดรู้ไหมเวลากิเลสเกิดเห็นบ่อยเห็นบ่อยดีครับคือภาวนาถ้าได้เห็นกิเลสเนี่ยก็ดีนลละ่ะถ้าเห็นแต่ว่างๆไม่ดีเห็นกิเลสยิ่งบ่อยยิ่งดีกิเลสเผลอไปแต่ชับเผลอทุกคนเผลอไปแล้วไปคิดเกิดราคะเกิดโทสะ นราคตัวสาวีจริงเลยเป็นรูปของโมหะเป็นรูปของเปลอมปีทอนาได้ดีนะแล้วคนโ้นนะมาด้วยกันเลยเคยฝึกมาแบบไหนเคยทำธรรมศางไหมหัดแบบไหนฟองรุกดูฟองรุกแต่ว่าเวลาดูฟองยุกนั้นไม่ใช่ให้ใจก็ไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องนะ ได้แต่เราไหลด้วยกาะ น, นิ่งที่ท้องได้แต่สมถะพยายามดูควายุบแล้วก็ดูใจตัวเองครับดูท้องความยุบล้วยใจแอบไปคิดแล้วก็รู้ทันดูท้องความยุบล้วยใจเราไปเที่ยงหรือที่ท้องเราก็รู้ทันดูความยุบแล้วจิตใจว่าวุ่นฟูงสร้านหรือว่าฟุ้งซ่านกันไปดูความยุบไปเรื่อยๆแล้วก็ดูดใจๆๆ อ, ๆๆอย่าไปบังคับให้นิ่ง กําหนดอารมณ์ที่ชัดเจนที่สุดลองปรับนิดหนึ่งนะปรับถ้าทําอย่างนั้นได้ได้สมถะอย่างพอมันตูงต้านเราตําหนักตึงต้านมันก็หายตูงต้านตัวตึงต้านหายไป ไม่สุดใจแล้วก็ว่างๆางไม่มีอะไรได้สมาัินอนใหม่แต่ปีนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะตามรู้ไปไม่ต้องไปกําหนดให้หายก็ได้คือถ้าแยกแยะสภาวะจิตให่ชัดเจนนะสมมตว่าตอนที่จิตคุ้งต้านเนี่ยจิตเป็นอัปคุศนตอนที่รู้ว่าคุ้งต้านนะจิตเป็นกุศลมีสติเรียบร้อยแล้วตรงที่เราไปคุ้งต้านหน่อเราจงใจกําหนด ตรงใจกำหนดเนี้ยมันเกินที่มันเกิ น, น, น, เกนจากวิปัสสนาแต่เบื้องต้นใจกำหนดก่อนก็ได้นะต้นกำหนดก่อนเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าความฟุ้งซ่านกำลังเกิดแต่ไม่ใช่ฟุ้งซานหนอเพื่อให้หายฟุ้งซานนะ ถ, ถ้าฟุ้งซ่านหนอให้หายฟุ้งซานจะได้แต่สมถะขอารุบเยอะนะรักล้านหนึ่งได้แล้วมั่งนะนี่คนนี้ได้อย่างรนะ้อยหกสิบแล้ว นอย่างสิบหกต่อสิบรอบแล้วดูทาไรดูเมื่อกี้ทาไรดูพงยุบไปนะดูแต่ดูพองยุบแล้วอย่าเให้มันนิ่งูเดียวดูความเสถียรในกายในใจดูพองยุบเนจิตมันเดิได้สีแบบแบบที่งดูงยุบแล้วก็เคลิมเคลิมไปเคลมเนื้อลมตัวหรือแอบไปคิดเรื่องอื่นลืมไปเลย ลืมพองยุบไปอันนี้ขาดสติไม่ได้ไม่ได้เรื่องอันที่สองดูพองยุบนะจิตเราไปเกาะอยู่ที่ท้องไปเกาะนิ่งนิ่งอยู่นะจิตพักผ่อนได้สมถะอันที่สามเราดูพองยุบไปเราเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากเห็นท้อ ง, อ, ง อ, งองมันพองเห็นท้องมันยุบมันจะเห็นไหมไอตัวที่พองที่ยุบไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นบั้งธาต วัตถุนี้กับเพิ่มเข้ากับเพิ่มออกใจเป็นแค่คนดูอันนี้ทำวิปัสสนาด้วยการดูกายอันที่สี่ดูท้องฟองยุบไปแล้วจิตเกิดปุ่งต้านรู้ว่าปุ่งต้านจิตปวดหูรือว่าปวดหูหรือจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอันนี้จะไปทำวิปัสสนาดูจิตในตอนนี้จิตไหลไปคิดแปบบ๊แบๆบดู อ, ออกไหมจิตไปคิดไประยะระยะฝังนิดนึงแล้วก็ไปคิดฝั่งนิดนึงแล้วก็ไปคิด แต่นจะไหลแวบบแวบบแวบบให้ใคอยรู้ทันมันนะรู้ทันเนนะรื่อยๆถ้าเราไม่รู้ทันกายไม่รู้ทันใจถ้าเราไม่เห็นสภาวะถ้าไม่เห็นสภาวะก็คือไม่ได้ทำนิพพานเห็นสูงเมื่อเราดูท้องพองยุบอยู่เรารู้หมดเลยนะท้องมันพองท้องมันยุบเราก็รู้หมดเลยนี่ได้สัมปทนะเพราะมันไม่ประกอบด้วยปัญญา แต่ถ้าเราเห็นว่าไอ้ที่พองไอ้ที่ยุคอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่กําลังตะเพื่อไหมใจเป็นคนดูอยู่ตัางหาเป็นเมตตายที่พองที่ยุบนี้ไม่ใช่ตัวเราตอดถอนความเห็นผิดเมตตาใจเป็นตัวเราได้คือจะเป็นวิปัสสนาเพราะน้นส่วนมากคนทำกรรมฐานไม่ว่าจะพองยุบหรือสายไหนสมัยจะเป็นเท่งอย่างเดียวได้แต่สมถะไม่ค่อยขึ้นวิปัสสนา วิปัสนาเนี่ยเป็นเครื่องถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรานี่ถ้าเราดูคลองยุบคลองยุกใจก็เกานิ่งเฉยเฉยอยู่นี่สมถะพุโทโธพุธโทโธใจนิ่งอยู่กับพุโทโธนี้สมถะหายใจเข้าหายใจออกใจไปอยู่ที่ลมหายใจนี่ก็สมถะเมื่อกี้คนเดินผ่านรู้สึกไหมใจระไห้วับแอ่เคลื่อนไป่เราก็รู้ทันนะมันย็นรู้ใจด้วย พอจะดวออกไหมอย่างนั้นฟรรังหลวงพ่อพูดปิดมันดับเป็นช่วงๆออกไหมเหมือนมันหายบักเป็นช่วงๆเออใช่ตอนนี้ครูบาอาจารย์ใายของยุดมาที่นี่ยอนะเรียนที่โดวง้อยอะอาจารย์ใหญ่ต่างยุวพุทธตางอะไรเข้ามาเยอกแล้วก็คลาสมากๆแล้จะเรียนง่าย ถ้าเพิเ่มขอคอสไม่กีกลางเรียนยากข้อคอสสองสามครั้ ง, งเรียนยากมากเป็นไงตอนนานอยังไรคับพี่ขึ้นมาไหมขึ้นมาขึ้นมิเรีเยรู้ เผลอไปให้รู้ว่าเผลออย่าไปปรับฟ้องไว้เอาคุณมันทําต่อรู้แล้วไม่จบมันแค่รู้พอรู้เสร็จแล้วปรับองความรู้สึกตัวไปพอปรับฟองปั๊บใจมันจะนิ่งนิ่งรู้สึกไหมมันนิ่งมันนั่งนานมันนั่งแต่เช้าใจก็นิ่งนิ่งอยู่อย่างนั้นอันนั้นพอเราไปปรับฟ้องไว้เราทาเกินนะพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆพิสูจทั้งหลายจิตฟุ้งต้านให้รู้ว่าฟ้งต้า ท่าไม่ได้บอกว่าี่สูดน์ทั้งหลายจิฟตฟต้านพอรู้แล้วได้รีบประทองไว้ห้ามปุ้งตาไม่ได้ห้ามนะเอาคุณไปต่อด้วยการห้ามนึกออกไหมตรงนี้เกินนะเธออยไปทำถ้าทำแล้วใจจะชื่อชื้นใจจะแข็งขึ้นงตอปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยอย่าไปบังคับมันนะเราจะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าไปบังคับเขา ไปดูก็จะทํางานทั้งวันเปลี่ยนแปลงทั้งวันแสดงใจรักทั้งวันแต่ถ้าเราไปป ร, รับฟองก็ไม่แสดงใจรักนะก็จะนิ่งๆใจมันจะนิ่งคุณรู้สึกไหมใจมันนิ่งๆนั่นนั่นเพราะเราบังคับเขานะอย่าไปบังคับเข า, า, าให้รู้ทันมันเช่นพอใจเราฟุ้งซ่านไปตรงที่ใจฟุ้งซ่านเป็นอกุศลมันช่วยไม่ได้ใจจะฟุ้งซ่านห้ามไม่ได้ ตัวที่รู้ว่าภูมสร้างตรงนี้ดีที่สุดแล้วตรงนี้รู้แล้วรู้ฝักจริงว่าเมื่อกี่ภูมสร้างถัดจากนั้นเนี่ยใจเรากลัวภูมสร้างอีกใจเรากลัวภูมสร้าเราเลยเกิดตัดทองไว้มันเกิดการทํากรรมอันใหม่คือการตัดทองไว้อันนี้หลงอีกครั้งหนึงนะหลงรอบใหมนะ่่ยมันเกิดจากความอยากนะอยากดีเลยตัดทองไม่ก้องไหมมันอยากดีก็เลยเกิดตัดทอง ดนความอยากก็คือตัณหาการปรับพอก็คือพบอันหนึ่งในตัณหาเป็นผู้ตั้างพบใจเราต้อมีความสุขนั้นใจชื่อๆใจชื่อๆไม่แช่มชื่นไม่บุกบานนี่ถ้าใจกระทพอที่เรียว่าประทองแล้วออกมากระทบอารมณ์ใหม่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปเรากระทบไปแล้วมันยินดียินร้ายขึ้นมาเราต่อยรู้เอาดีกว่าประบองเฉยเฉยปรัองเฉยเฉยเราตามองเห็นใจเราก็เฉย คนมาชมเราคนมาด่าเราใจเราก็เฉยเฉยหมดไม่ดีไม่มีใส่รักนะดูออกแล้วใช่ไหมว่าประกองดีดีดีแล้วไม่ต้องหาทางแก้แกหรอกแค่ไม่ประกองมันก็พอแล้วประกองไปแล้วแก้ไม่หออกแค่ลืมๆไปนะลืมเรื่องปฏิบัติมันก็เริ่มประกอบแล้วแบบอันนี้หมายถึงคนที่ยังปับกองไม่มากนะถ้าประกองเก่งมากๆแล้วก็ ถึงลืมปฏิบัติแล้วก็ประคองอยู่นั่นแก้ยากอย่างที่คุณทำใช้ได้แล้วอะอย่างใจตอนนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันหร อ, อกไหมตรงนี้โปร่ๆ ก, ก, กว่าหร อ, อกไหมใจที่รู้สึกตัวมันต้องสบายแบบนี้ถ้าใจเราคือคือคื อ, คอใช้ไม่ได้นะแก้ํำขึ้นมาดีแล้วเสือ้อเหลืองนี่มาจากไหน <c ười> เป็นโบราณเคยฝึกไหมฝึกแบบไหนละ่ะเออดีฝึกดูตัวเองอะดีดีกว่าฝึกดูคนอื่นนะฝึกดูตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามีสองอันกายกับใจฝึกรู้กายฝึกรู้ใจฝึกรู้กายเช่นนักกายมันกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกนั่งกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนคอยรู้สึกเร่เย อย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมเออถ้าใจลอยเราก็ไม่รู้สึกเมราะใจลอยนี่เป็นสตรวลดับหนึ่งของผู้ปฏิบัติสตรวนดับสองก็คือการกําหนดไว้เพ่งไว้ประคองไว้ควบคุมไว้ใจอย่แข็งแข็งทื่อๆนะจิตที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ซึมเป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลมีลักุตาเบาถ้าปฏิบัติแล้วหนักนลยผิดแน่นอน ถ้าปฏิบัติแล้วจิตแข็งแข็งผิดจิตที่เป็นกุศลมีมุตุตาต้องนุมนวลจิตที่เป็นกุศลต้องควรแก่การงานไม่กัมมัญตากัมัญญาตาหมายถึงว่าจิตไม่ถูกนิวรณ์ไม่ถูกกิเลสครอบงำถ้าถูกกิเลสตัวนิวรณํารอบงำก็ไม่ควรแกการงานไม่แค่เราอยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติเนี่ยถูกกิเลสครอบงำไปแล้วครอบต like ั like ้งแต่อยากปฏิบัติแล้วผิดตั้งแต่เริ่มจิตที่เป็นกุศลต้องมีปากุตุตาคล่องแคล่ว ตองแก้ออกากปราดเดียวถจิตของเราไปซึมซมชื่อชือชื้อชื้อพ่อทําหน้าให้ดูนะได้เรื่องเลยู่นะจิตอย่างนี้อักข u สนนะจิตที่เป็นอกข u สนจะรู้อารมณ์แบบชื้อชือะไรเกิดขึ้นรู้เท่าที่มันเป็นไม่ไปแทรกแตงเพราะฉะนั้นจิตเผอไปรู้ว่าเผลอไปเป็นอักข u สนละจิตทิ้งไปแทรกแตงไปประคองกลัวจะเผลออีกอักข u สนะ ไม่ซื้อแล้วเริ่มไปแทกแตะแล้เราค่อยๆฟังนะลักษณะของจิตที่เป็นกุศลเป่น่ากุศลที่ภาวนาอยู่นี่ใช้ได้นะจิตใจตอนนี้มันตื่นมันใช้ได้เลดีรู้สึกไหมใจเราข่องใสใจผ่องใสใจเบิกบานใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมดีไปดีเอ้ย ว, ว่าสอนมาหระแล้วใครสอนมาให้ทำได้อย่างนี้ ต้บีกเบีกชิ้งชิ้งมนหายในศาสตร์ตูนในนานั้นขึ้นมาครั้งเดียวตลวงพ่อไปเติมหลายปีมันฉลาดนะแต่ฉลาดน้อยไปหน่อยมันตั้งใจว่าถ้ามันยังภาวนาไม่เป็นมันจะไม่มาหาหลวงพ่อฟังแล้วเหมือนมีปฏิทานดีนะยังไม่เข้าท่าเลยถ้ามนภาวนาเป็นเราไม่ต้องมาหาหลวงพ่อใช่ไหมภาวนาไม่เป็นต้องมาเรียน เ, เป็นแล้วจะมาเรียนทำไมไปงมอะไรอยู่ไม่รู้ตั้งห้าปีเนี่ยิ้เกเวลาห้าปีลูกติดดิลูกติดชิ้งไม่เป็นลูกติด้า <c ười> บอยบ้เบอร์เป็นไงเบอร์สมช่วยส่งหนึ่งเป็นกิเลสไหมมัน ดยที่คือวอโอ้แค่นั้นพอละกอะไรก็เผอเรียเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดนึกออกไว้วันมาหนึ่งเธอนักไม่พุวนเออเผอเยอะ<ม>ทีนั่งนะึง น, น, นีไม่เปลี่ยนเลแต่ปาละอีเสร็จแล้วก็ยังไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าท่านสอนไม่ดีว่า ตนี้สอนยากทั้งเลยวุ่ยวุ่ยไปตรงนี้เสร็จแล้วมาหัดขยับขยับแค่นี้ใจเผลอไปรู้สึกใจเผลอไปรู้สึกแล้วท่านนับนะมาเผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกชั่วโมงหนึ่งเผลอร้อยกว่ครั้งใจตื่นขึ้นมาันใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยทีนี้อัตโนมัติเดินไปอีกแล้วเดืนสามท่านเลยยิ่งเผลอป่อยยิ่งดี โอเคแล้ว hmm. ไม่ต้องรู้ว่าเกิดทําอะไรรู้แค่ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแค่นั้นพอละคือสภาวะธรรมเนี่ยอกุศลและอกุศลเนี่ยส่วนมากอกุศลเกิดเยอะอกุศลเกิดน้อยอกุศลมีโลภโกรธหลงหลงเกินมากที่สุดความโลภความโกรธเนี่ยนานๆเกิดทีหนึ่ง แทรกเข้ามาแต่หลงนี่มันจะหยุดพื้หลงนี่มีหกอันหลงทางตาหูงจมูกลิ้นกายใจหลงไปดูหลงไปฟังี้หลงไปคิดหลงไปคิดที่มีบ่อยที่สุดเราั้นถ้าคุณรู้สภาวะที่มันเผลอไปโดนใหญ่ก็หลงไปคิดหละเผลอไปคิดรู้ทันเผลอไปคิดรู้ทันทําได้ทั้งวันนะปฏิบัติได้ทั้งวันเป็สภาวะที่เกิดแทบจะตะลอดเวลาอย่างขนาดเนี้ยเผลออีกแล้วชัดไหม ฮัตไปอยู่ดีเหลือแล้วรู้เหลือแล้รู้ไปไม่ใช่ฝึกเอารู้นะเหล อ, อก็ได้แต่ต้องมีรู้ขึ้นมาก็าอะไรคนทั่วๆไปมันเหลือมาตั้งแต่เกิดเลยโตั้งเหลือตั้งแต่ตื่นจนหลับนะเหลอตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้ตัวว่าเผลออยู่เในโลกนี้มีแต่คนเหลอมีแต่คนหลงแต่ไม่มีใครรู้สึกตัวว่าตัวเองหลงอยู่แต่เมื่อเราฝึกปฏิบัติเจนสติเกิด เราจะรู open, ้เลยว่าที่ผ่านมาเราหลงตลอดนี่เสร็จแล้วเราจะฝึกเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้หลงหรือเปล่าไม่ใช่จิตจะหลงหรือจิตจะเกิดสติเราสั่งไม่ได้นะเราเลือกไม่ได้ว่าจิตจะเป็นกุศลมีสติหรือจิตจะเป็นอกุศลหลงไปเราเลือกไม่ได้เราจะเรียนจนกระทั่งเห็นไหมจิตจะเผลอไปก็ห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกแล้วก็รักษาไม่ได้รู้สึกไหมพอเผลอไปพอรู้ว่าหลงนะ ตื่นขึ้นมาไม่แบบเดียวรับตาไม่ได้เดี๋ยวก็หลงไปในที่สุดเราจะเห็นเลยทั้งจิตที่เป็นอกุศลคือหลงไปจิตที่เป็นกุศลคือรู้สึกตัวเสมอภาคกนะันเกิดระดับเหมือนกันหมดเลยนะไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอันหนึ่งเปลียนอันหนึ่งเพราะเราไม่ได้ฝึกเพื่อหาทางให้จิตสุขให้จิตสงบให้จิตดีเรฝึกจนในท่างเห็นความจริงเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดระดับเหมือนเลยความสุขความสงบความดีเกิดแล้วก็ดับ ความทุกข์ความฟุ้งต้านความชั่วอุปสนเกิดแล้วระดับเสมอภาคเรียนจนใจเป็นกลางกระทุ้งตะเพาะถ้าอย่างนี้ง่ายแต่ถ้าเราเรียนตั้งเป้าว่าเราจะต้องสงบนะยากนะหรือเราจะต้องสุขหรืยากนะต้องดีตลอดหรืยากนะเพราะสุขมันก็ชั่วคราวนะสงบก็ชั่วคราวดีมันก็ชั่วคราวถ้าเราพยายามฝืนจะให้มันถาวอนเรียกเราฝืนธรรมะฝืนความจริงฝืนธรรมดา ไม่สําเร็จหรอกล้มลุกลุกคลานในตลาดชีวิตของการปฏิบัติแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเรายอมรับความจริงใจนี้ใจ น, นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาไม่ใช่ของที่ทําให้เที่ยงไม่ใช่ของที่จะต้องตุขบข่าวอลไม่ใช่ของที่บังคับได้ใจยอมรับอย่างนี้แลนะไม่มีคมําว่าเจริญหรือเสื่อมนะบางคนมาชอบเล่าหลอกข้ อ, อนะช่วงนี้การปฏิบัติเสื่อมไปกรมันานเสื่อมช่วงนี้จเจริญช่วงนี้เสื่อม คำว่าเจริญกับเสื่อมเนี่ยพูดเราต่างใจมันไม่ได้ดีอย่างใจก็บอกว่ามันเสื่อมมันดีถูกใจก็บอกว่ามันเจริญแท้จริงไม่มีคำว่าเจริญหรือเสื่อมอมีแต่คำว่าเกิดกระดับอุศนเกิดแล้วกระดับอากูศนเกิดแล้วกระดับเท่าเท่ากันมีแต่บางวันอากูศนเกิดบ่อยคนทั่วไปไม่ชอบมันนะับปฏิบัติไม่ชอบก็บอกว่าช่วงนี้จิตเสื่อมความจริงโอภตกรธหลงถึงจะเกิดบ่อยนะแต่ทุกครั้งที่เกิดกระดับทุกทีแหละ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราจะเห็นเลยคุณสนเกิดแล้วก็ดับอากูศนเกิดแล้วก็ดับสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับเสมอภาคกันหมดเลยทั้งคุณสนทั้งอากูศนทั้งสุขทั้งทุกข์สอนธรรมะเราอย่างเท่าเทียมกันสอนใจรักเท่าๆกันแต่ทําไมต้องมีกุณสนมีอกูศนขึ้นมาถ้ามันมีแต่อากูสนลนล้วนอย่างเผลอล้นล้วนนเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเผลอนี้มันไม่เที่ยมแต่ยุมันคงเที่ยมเราก็จะรู้สึกเราดีอยู่ตลอด อย่างยกตัวอย่างข่อพ่อยกเรื่อยๆคือสมมติว่าทั้ห้องนี้เป็นคนชั่วเท่าๆกันนะทุกคนชั่วเท่ากันในเปอร์เซนต์เท่ากัน ใ, นในห้องนี้ไม่มีคนชั่วแล้วเอะนึกออกไหมทุกคนกลายเป็นคนดีเท่ากันหมดเลยแต่ถ้าเกิดมีคนหนึ่งสมมติเอเป็นดีกว่าเพื่อนขึ้นมาที่เหลือชั่วหมดเลยจิตนี้ก็เหมือนกันนะจิตนี้หลงตลอดเวลาตั้งแต่เกิดนะหลงตลอดเลยยิ่งพวอทําทกรรมฐานยิ่งพวกหลงมากลหลงไปแช่อยู่กับอารมณ์แล้วนึกว่าวิเศษมาก เพราะจิตมีแต่หลงไม่เคยรู้สึกตัวจะไม่รู้ว่าหลงอยู่การที่เราฝึกจนกระท่านสติตัวจริงเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าเราหลงแล้วเราจะเห็นอีกมีปัญญาเห็นหลงก็ไม่เจี๊ยงรู้สึกตัวก็ไม่เจี๊ยงนี่ทางรอดอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ทางรอดอยู่ที่ฝึกเไม่ให้หลงไม่ใช่ฝึกเอาดีไม่ใช่ฝึกเอาสงบเอาสงบไม่ได้ฝึกเอาสติสติหรือความดีกุศลทั้งหลายเหมือนเรือท่นเลย ที่ท่านบอกว่าทํามากเหมือนเรือนะเอาไว้ข้ามฝั่งข้ามฝั่งได้จีบัวเรือจิ้งไปไม่เกี่ยวกับเราแล้วขึ้นบกไม่แบกเรือไปด้วยเรื่สติอะไรก็ตามนะที่เราต้องฝึกให้มากๆมานเพื่อจะอาศัยรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้วแล้วถ้าตอนนี้รู้สึกสติรู้ทันรู้มากๆปัญญากเกิดเผลอก็บังคับไม่ได้รู้สึกตัวก็รักษาไว้ไม่ได้เสมอภาคใจจะวางใจจะหยุดดิ้น ถ้าเราใจของเรายังเห็นว่าอันหนึ่งดีอันหนึ่งไม่ดีอันหนึ่งสุขอันหนึงทุกข์อันหนึ่งจะเอาอันหนึ่งจะผลักแต่จะไม่เลิกทํางานนะใจจะไม่เลิกปรุงแต่งจะดิ้นหาความสุขดิ้นหาความดีดิ้นหาความสงบไปเรื่อยๆแต่อยจะดิ้นไปเรื่อยๆปุงแต่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าเห็นว่าทุกอย่างเสมอภาคหมดไม่ใช่รักอันนึงเกลียดอันหนึ่งต่จะเริ่มดิ้นใจที่เริ่มดิ้นแล้วเข้าถึงความสงบสุขนะเพราะนั้นธรรมะนิพพานมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวิสังขาร ไม่ปลุกมีชื่อหนึ่งว่าวิราค่ะไม่อยากไม่หิวอยากอะไรอ่ะอยากสุขอยากดีอยากสงบเห็นอยากอยากพ้นจากความทุกข์อยากพ้นจากความลูกข้านอยากพ้นจากความชั่วนี่ก็อยากไปรักอั น, นึงเกลียดนหนึ่งแล้วจะดิ้นใจจะดิ้นดิ้นดิ้นถ้าใจเห็นว่ทุก อ, อย่างสมเภาพใจไม่ดิ้นนะใจไม่ดิ้นใ จ, จถึงสันติสุข นิพานมีชื่อหนึ่งว่าสันติสันติเรื่งคุณเบอร์แปดสิบหกที่ใส่เสื้อทองแดงให่ลอยใส่รับทราบไหมของคุณเบอร์สามยังติดการสระทองนิดนึงนะหลวมไหมติดประทองไอเราเราปะพองเวีนชินไปรู้อันเบอร์แปดสิบหกไปไหยไปไห เคยฝึกหัหยเคยฝึกสมาฐานหมเออถ้าไม่ได้ฝึกมากนะเรียนง่ายพวกที่ไปฝึกมาชึ้งๆหลางๆนิ่งๆหน่อยๆพงมนี้เรียนยากร้อนวิชาแค่ยากพวกเรียนมามากจนน่น่มไปหมดแล้วนะพวกนี้สอนง่ายเราฝึกสมาธิแบบไหนล่ะ รวมหายใจรือ ไ, ไ, ไเออหัดพุทธโธไปก็ได้นะแล้วคราวนี้ปรับปรุง ก, การฝึกนิดนึงหัดพุโทโธพุธโทโธไปใจแอบไปคิดเคยเป็นไหมเออให้รู้ทันพุโทโธเพื่อจะรู้ทันว่าหรือไปคิดไม่ใช่พุโทโธเพื่อไม่ให้คิดนะออปรับตั้งกันนิดนึง<ม>แต่เดิมเราพุโทโธเพื่อให้สงบเราเราเปลี่ยนใหม่พุโทโธเพื่อว่าจิตหนีไปคิดแล้วเราจะได้รู้ พุโทโธพุโทโธหนีไปคิดแล้วรู้ทันพุโทโธแล้วขี้เกียจขึ้นมานะขี้เกียจพุโทโธแล้วรู้ว่าขี้เกียจพุโทโธแล้วอะไรเกิดขึ้นในใจิตในใจเคยรู้บ่อยๆซึ่งอย่างนี้นะนั้นมาส่งผ่านบ้านได้ทำนั่นาา ง, งออก็จะมารายงานหลวงพ่อได้แล้วถ้าทําอย่างที่หลวงพ่อบอกจะมารายงานหลวงพ่อว่าหมู่นี้ไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตลอด เห็นเลยร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่ตัวเรารูปมันยืนเดินนั่งนอนอย่เห็นเลยจิตนี้มีแต่ความไม่เที่ยงจิตทำงานทั้งวันทั้งคืนห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เขาจะมารายงานหลวงพ่อกันแบบนี้นะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็สบายเยอะเลยขอบคุณเชื่อใจเบอร์อะไรบ้าสิ่สิบนะมาจากไหน่คืออ ไม่เคยเลยเหรอไม่เคยหันง่ายแต่อยากคิดเยอะนะไม่ีห้คิดเยอะช่างคิดหรือเปล่าวันนเออช่างคิดนะจริงๆเรารู้สึกเลยเราเป็นคนคิดเยอะคิดมากแต่ความจริงที่จริงๆเลยนะทุกคนคิดทั้งวัน่ะเหมือนกันทุกคนนะไม่ใช่คุณคนเดียวหราคิดมากใครๆก็คิดทั้งวัน แต่สังเกตไหมเวลาเราคิดไปบางทีก็เกิดความสุขวิธีบางเรื่องคิดก็รุ่มใจนี่รับคอยรู้เรื่องคอรู้ใจตัวเองมันคิดคิดไปแล้วมีความสุขเราก็รู้คิดไปแล้วไม่นรุ่งใจเราก็รู้ไม่ห้ามมันนะไม่ห้ามคอยรู้ที่ใจเรามันเป็นสุขก็รู้มันเป็นทุกข์ก็รู้วันนี้ใจเฉยเฉยก็รู้คอดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าความรู้สึกของเราในแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่อมีความสุข บางวันตื่นขึ้นมาใจว้าวุ่นแห้งแรงนี่เราไปดูใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันพอดีก็วันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะคิดคิดไปแล้วก็มีความสุขว่างคิดคิดไปแล้วก็ทุกข์ว่างนะแต่ละวันแต่ละเวลาจิตใจเราไม่เคยเหมือนกันอย่างวันนี้ตอนเชา้าตอนตื่นนอนจะมาวัดหลวข้อกับตอนเนี้ยความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนนั่งรถมากับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหม ตอตอนที่หลวงพ่อจะคุยด้วยกันเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมให้รู้สึกเรื่อยๆไม่ไปบังคับห้ามบังคับนะปล่อยให้จิตใจก็เกิดความรู้สึกไปตามธรรมดาใจมันจะคิดคิดคิ ด, คดไปแล้วก็เกิดความรู้สึกสุบรู้สึกทุ๊บรู้สึกเฉยๆคอรู้ความรู้สึกไปฝึกแค่นี้ก็พอแล้วพอไหวไหมอย่างนี้ก <c ười> อไปลองดงูต้องอย่างนี้สิ แต่ก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะเร็จ แ, แล้วทั้นถามวาเข้าใจไหม <c oughs> ส่วนมากเก็บบอกว่าขอไปลองดูก่อนเข้าใจได้กันคิดยขอไปลองปฏิบัติดูก่อน <c oughs> ดีนะไม่ใช่หลวงพ่อพูดอะไรก็เชื่อถ้าหลวงพ่อพูดอะไรก็เชื่อนี่เรียกว่าโง่นะรู้ได้ไงว่าหลวงพ่อพูดถูกแต่ว่าพอหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่จริงก็ไม่เชื่อไม่จริงก็ไม่เชื่อคิดเอาเองนี่ก็โง่อีกแบบ แต่ถ้าฟังหลวงพ่อพูดแนละ้วเออขอไปลองปฏิบัติดูก่อนสังเกตว่าเด็กเล็กๆนะเรียนง่ายเด็กเล็กๆเนี่ยมีพลังในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ยเยอะหัวใจของเด็กเป็นบ้างๆมันเรียนรู้ทุกอย่างด้วยความสนใจอยากรู้เท่านั้นนหะไม่ได้อยากอย่างอื่นเลยนะเด็กคันเห็นอะไรแปลกๆมันอยากรู้ไป ห, หมดอันสนใจที่มันจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆง่าย แต่ผู้ใหญ่นะยิ่งโตนะยิงพวกเต๋อจัดนี้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ย, ย, ยากที่สุดพอเรียนอะไรก็จะเปรียบเทียบกับของเก่าไปเรื่อยเรีว่าฉาล้นกล้วยเรียนยากนั้นเราสวมหัวใจเด็กๆนะดูซื่อๆดูแบบเด็กๆดูไปเลยเดี๋ยวใจเราก็ดีใจเดี๋ยวใจก็เสียใจเดี๋ยวสุขเดีๆๆ๋ยวทุกข์ดูอย่างนี้เราดูใจเราเหมือนเราดูเด็กสักคนเด็กคนนี้เดี๋ยวก็หัวเราะเด็กคนนี้เดี๋ยวก็ร้องไห้ดูเด็กคนเนี้ย ดูไปเรื่อยๆแล้วการปฏิบัติยังง่ายทีดเดียวพอไหวไหมแต่อย่าไปบังคับให้ใจทื่อๆนะใช้จิตใจธรรมดานะี mm ่น hmm. ะเราจะดูเพื่อให้เห็นว่าความต ก, ก้็ชั่วคราวความทุ๊บก็ชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวหมดเลยพอเราเห็นได้ขนาดนี้แนละ้วต่อไปความตกเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงระเริง ความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่คลั่งกลัวเสียใจ เ, เรารู้ว่าทุก อ, อย่างชั่วคราวเราจะมีชีวิตอยู่อย่างชั่วคราวอยู่กับปัจจุบันว่ามทุกข์จะร่างกายไม่ได้คนะวามทุกข์มันเกิดจากการที่แอบหนี้ไปคิดเนะี่ยคิดไปอดีตคิดไปอนาคตแล้วก็ทุกขนะ์นะก็มีชีวิตแบบชั่วคราวแล้วก็มีความสุขเข้าใจแล้วง่ายๆนะไม่มีอะไรมากนะแต่ธรรมะทำไมมีเยอะแยะเลย รับคนมันเยอะแต่ละคนต้องการกรรมฐานนิดเดียวฝึกพลันนี้เดียวก็พอละอย่างคุณเออบอร์สามบอกว่าเผลอไปแล้วจะรู้เผลอไปรู้อย่างนี้ก็ได้ของคุณดูไปความตุกเกิดก็รู้ความทุกเกิดก็รู้ดูไปจะเห็นเลยทุกอย่างไม่เทีย่ยงอย่างนี้ก็ใช้ได้เห็นไหมคนหนึ่งคนหนึ่งฝึกไม่เยอะหรอกฝึงนิดเดียวถึงนิดเดียวก็คนทุกได้ละเรียนเยอะเรียนมากไม่รู้เรื่องหรอกเด๋ยวรู้กันนะ อ่กุ้งเป็นไงกุ้งของคนบ้านเมื่องวันนี้อ่อนเป็นยังไงอ่อนปวกเปรียงหรืออ่อนยังไงหรืออ่อนโยนเออรู้ไปนะได้ได้รู้ถูกแล้วื่อคนอ่อนปวกเปียกเบอร์สี่เบอร์สี่เมือม่อเช้านี้อ่อนปวกเปียกเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องตกไปวันนี้คุยด้วยแล้วพ่อยกตัวอย่างว่นานจิตอ่อนน่ะ ไม่ช้ามันปกเปียกไปเฮ้เ <c oughs> ็ยัง้แค่นั้นก็พอแล้วอย่าพยายามรู้ให้ถึงใจแค่รู้ว่ารู้ไม่ถึงใจใได้แนละ้วอยากรู้ให้ถึงใจก็รู้ว่าอยากแต่ว่าอย่าไปคิดว่าตัวที่ประทอง หรือรู้ไม่ถึงใจแล้วถือว่ารู้แล้วอันนี้ถึงจะมีปัญหาถ้ารู้ถูกต้องตรงความเป็นจริงไม่มีปัญหา <c oughs> ในน่นนะ่ะติดมานานละ <c oughs> ติดมาหลายปีและเ <c oughs> ออถูกไปนะไหนือ ต, ติดน้อยลงน้อเหลือติดนี้นิดไปที่วายอ่ะพี่วายเป็นยังง <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอเวลาน้อยคุณทั้งอย่างหลังเสื้อลายนั่นน่ะใจลอยไปแล้วอ่ะพี่ไวยพูดต่อคือมาที่ตรงนี้แล้วฝังงานเลิกในวันที่26สิงหาคม2564นี่คือวัที่4 มหาสมุทรรู้รู้การหายการหายคือเรื่องแข็งใช่ใช่ใช่แค่ทำให้ตึงเออแข็งแข็งทางกายนี่คืมเรื่องหายที่เราถือมาตลอดที่หายของเรื่องนี้นถือเชื่อตั้งนานแล้วหลับอยู่เออคือถือเชื่ออยู่แล้แล้ว มันจะหาที่มาของที่ดินเยอะหรือว่าจะดีมากมมีทดนี้ทอบด้วา ใจไม่ส น, น, นใจที่จะดูนะวิริย่างเกิดเองมีฉันทาเมื่อไรวิริย่างเกิดเองพยัยดูจิตตาก็จะเกิดขึ้นคือใส่ใจไปใส่ใจที่จะรู้ทันใจตัเองไม่ใช่ไปใส่ใจคนอื่นมีมังสาใจจะใกล้ ค, ควรเข้าเคลียพิจะะนารณาอยู่แต่จิตกรจาัวเองในสุดนั่นจะปัญญาก็จะแจ้งเข้าใจความเป็นจริงของจิตหรือใจอย่างการที่เรามีฉันทะนี่สําคัญ ก็ต้องอุตสะสมความรักในการเรียนรู้รักในความรู้ที่เราสัพเพทุกทุกปัญญาผู้รักในความรู้คือการปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตใจเรายังไม่แก่กล้ามัจะทําทําอยู่หยุด แต่ถ้ามีซีเป็นแก่กล้างรือสาพ่าชาติท้ายๆมันตลุนะ่มบอลแล้วนี่ช่วงท้ายๆของการปฏิบัติตลุนะ่มบอนแบบไม่มีลาเวนกันทั้งวันทัคือ ส, สติปัญญาหมุนจี้จี้รอบตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันจะดิ้นรนค้นคว้าที่จะออกจากทุกข์ไม่ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องที่รักที่จะรู้แล้ว มันเหมือนเรื่องพอขาดบาตายที่ต้องสู่ตายนะเปนในจุดเรื่องต้นเนี่ยแค่ปลุกความรักที่จะปล่อยรู้รู้กายรู้ใจเดยสติมันทํางานอัตโนมัติสติปัญญาทํางานอัตโนมัติการทางานอัตโนมัติเนี่ยมันดูทั้งวันทั้งคืนไม่เลิกมัดูทั้งวันทั้งคืนถึงจุดหนึ่งกิเลสมันร้อนตัวแล้วคล้ายๆถูกเราตีล้อมเข้ามาจนถึงตัวเหมืน อันนี้มันจะดีสุดทสุเลยนะอันนี้มันไม่ใช่การดูกันเล่นๆนะ้เหมือนสู้กันอย่างเราเป็นเราตายแล้วสู้กันอย่างเราเป็นเราตายเสร็จแล้วเราอะไจะเป็นฝ่ายตายจุดหนะึ่งเนื้อมันคล้ายๆถูกต้อนต้อนพินกุมแพงนะอันนี้ต้องสู้ตายเลยแบบตายก็ตายแบบตายก็ตายนะกิเลสจะตาย คือตั้งสัจจะก่อนอเพราะฉะนั้นบา ร, รมีทั้งหลายสําคัญดิอย่างสัจจะบา ร, รมีอธิฐานะบา ร, รมีอธิฐานะบา ร, รมีนี่สําคัญอย่างเราตั้งใจมั่นทุกวันเราจะต้องไหวลระสวดมนต์ทำสมาธิเดินโงกลมอย่างน้อยกี่นาทีก็ว่าไปต้องทาให้ได้สู้ตายใช่มันจะทําให้เราเข้มแข็ง ที่ที่มีก่อสารกังต่อเรื่อ้งนางทางสังคมทางมิือการทาม้าอะไรแตยงมี้บพที่ชอ้างะรงนี้อบ้างอดิฐานค้างเรื่อไม่กยังมีควางวาง้าคือยังไงก็เดินไม่ถอย ยังไงก็เดินไม่หยุดต้องตั้งสัจจะอย่างนี้เลยเนรตะมาไม่ได้รีบร้อนที่จะเดินแต่ทุกวันเดินไม่หยุดหลืบางคนเดินแบบรีบร้อนจ้ำพรวดพรวดแล้วไปนอนแม้เมอยู่กลางทางเราไปแบบเต่านะเดินแต่เรื่อยๆถึงก่อนนะใช้เวลาไม่นานถึงละมีพวกกระต่ายวิ่งพรวดพรวดแล้วไปนอนอยู่กลางทางั้วใจเราต้องมีความตั้งใจมั่นมีสัจจะ มีความตั้งใจมั่นที่จะสู้นะทุกวันจะต้องปฏิบัติอย่างน้อยต้องมีรูปแบบเอาไว้อาศัยเบื้อต้นแต่ถ้าเราชำนี้ชํานาญเราไม่ได้อาศัยรูปแบบแบบเก่าแล้วคือแต่ว่าช่วงนี้จิตควรจะพักเราก็ทําสมาธิช่วงนี้จิตพร้อมเจริญปัญญาแเราก็เจริญปัญญาลิขิตอัตโนมัติแต่เบื้องต้นต้องมีสัจยาไว้ก่อนเลยต้องตั้งใจมั่นไว้ก่อนอธิษฐานแล้วต้องทําให้ได้ ให้เยอย่าอธิษฐานอะไรที่เกินขีดที่จะทำได้บางคนแกล่อธิษฐานว่าจะนั่งสมาธิเวาลาสามชั่วโมงวันไหนนั่งได้ไม่ครบอีกวันหนึ่งต้องชดเชยแค่เดียวเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะประสาทกินนะอย่างนี้เรียกว่าไม่ฉลาดแต่ถ้าอาธิษฐานทุกวันจะต้องไหวพระสวดมนต์เสร็จแล้วจะต้องนั่งสมาธิ เงินจงกลมอะไรเนี่ดูท้องคลองยุบดูลมหายใจดูอะไรก็แล้วแต่จะถนัดแต่ดูเพื่อห um ัดรู้สภาวะนะแต่ไหนจิตใจฟุกงร่างก็ดูเพื่อให้เกิดสมถะทุกวันตั้งั้งสัจจะต้องทำ15นาทีก็ยังดี10นาที15นาทีอย่าตั้งเยอะถ้าตั้งใจไว้เยอะแล้วทำไม่ได้ตั้งใจเบาเสียบารมีนะอธิษฐานนันบารมีเสีย ถ้าตั้งใจว่าทุกวันจะทำ10นาทีทำได้ทุกวันเลย10นาทีบ้างซึ่งชั่วโมงบ้างใจไม่ฟอกไปเมธอันอนั้นเป็นท่านตาลุมบอลแล้วท่านสุดท้าย มันเหมือนอยู่ในสนามรบจริงๆ น, นะเวลาทําสงครามไม่มีกลางวันกลางคืนนะไม่ใช่ว่าตอนนี้ยิงกันตูมๆ ม, มาแล้วถึงเวลาต่างฝ่ายต่างตีงตกลองกลับบ้านมากินข้าวต้มใอเช้าได้เวลาตีกลองแล้วไปรบกันใหม่ไม่เป็นเรื่องต้นเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเรื่องต้นนั้นก็ตั้งใจมั่นไว้กับ จนกระทั่ ง, งสติเกิดจริงเกิอดอัตโนมัติพอถึงสติอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัตินี่นะมันจะเห็นเป็ทุกข์ล้วนๆเลยอานนี้ไม่สู้ไม่ได้ละเหมือนที่สู้ตายขึ้นมาเขาเพราะว่าไปเห็นทุกข์ก็รอดของเรายังไม่เห็นที่เรายังไม่เห็นเพราะเราเว้นากบ่อยเช่นเรานั่งอย่างนี้มา น, านานๆเนื่อยเราก็เปลี่ยนดีๆไปหมดภาวนานานๆเนื่อเลยเราก็ไปช้อปปิ้งเปลี่ยนไป เรายัางไม่ได้เห็นทุกจริศแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นเลยกายนี้ก็ทุกใจนี้ก็ทุกมันมีแต่ความดิบคันทั้งวันทั้งคืนตรงนี้แหละสู้ตายละเะนั้นตอนนี้เรายัางสติมันไม่ได้เกิดทั้งวันทั้งคืนตรงจุดที่สติเกิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสู้ตายทุกคนเลยเพราะถ้าไม่สู้ก็ตายล่ะใช่ต้องมีอธิษฐานน้ำบารมีเพ่ขึ้นที่มันจะสู้ตายจริงๆ แเมื่อมันถึงจุดที่มันอัตโนมัติแล้วที่ใจมหาบัวจะใช้แบบมหาสติมหาปัญญามันงุนจีจีจีทั้งวันทั้งคืนเลยนะไม่สู้ก็ไม่ได้นะสู้ในความทุกข์บีบพั้นเอาปางตายนี่พอมันสู้สู้ไปเรื่อยๆทีก็ท้อแท้ททใจเมื่อสีดูไหมจิตใจใก้ไปชุ่มไปช่วยขึ้นหน่อยนะสติเกิดได้บ่อยยัง เออดีดีดีดีคือพัฒนาการของการปฏิบัติ้อยู่ที่ว่าเรารู้สภาวะตรงความเป็นจริงได้แค่ไหนสามารถทีแรกทุกคนรู้สภาวะได้ทั้งหมดไว้ไม่ได้หรอกเราก็จะเห็นสภาวะที่หยาบๆก่อน แต่มาเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างถ้ารู้จักเพ่งนะเก่งมากเลยเพ่งเนี้ยศัตรูร้ายของนักปฏิบัติเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้เมืม่อวานหรือวันสื่นมีคนยุวพุดชื่ออาจารย์มวลสิริแกบอกแกไปฝึกเข้มข้นมาเลยนะฝึกแบบพอสเข้มเลยปิดหังตัวไว้สี่ปี มนเต่มรปด้วยความเครียดเคียดมากเลยแต่ว่าได้รับคําย่อมย่อมชมเชยนะเป็นพระอริยะมากมายหลายตำแหน่งต่อมาแกไปฟังซีดีที่หลวงพ่อพูดแกปรับนิดหนึ่งแทนที่แกกาหนดไว้ปกคองไว้เหมือนที่ไปทําพยายามควบคุมเปลี่ยนจากผู้ควบคุมมาเป็นคนดูดูกายดูใจไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปกําหนด บอกเปลี่ยนมุมมองนะจากการกําหนดการบังคับมาเป็นการรู้ไปเปลี่ยนบอกวันแรกยังงงงงดูไม่เป็นรู้สึกงงวันที่สองเนี่ยเริ่มเห็นนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราไปบอกโอ้ดีใจนะแต่เดิมทําไมไม่มีปัญญาได้ แ, แต่กําหนดให้มันนิ่งเข่งเขงนิ่งนิ่งทื่อๆไว้เฉยๆมันไม่เกิดปัญญา ปรับจากการเป็นผู้เก่งผู้กำหนดมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเห็นเลยกลางนี้ไม่ใช่ตัวเราบวันที่สามดูๆอยู่แล้วมีความสว่างพุ่งขึ้นมาพุ่งวับขึ้นมาบางช่วงขณะจิตเดียวเลยที่ความสว่างพุ่งขึ้นมาเป็นท่าเห็นขันนี้กระจายตัวไปเลยกายรูปเบทนาสัญญาสังขารนี้กระจายตัวแล้วไม่มีตัวเรา อะไรอืมเอะไม่ใช่ไม่ใช่ความจริง่ะใจรักแสดงตัวตลอดเวลาี่แต่เราเห็นแล้วใจมันยังไม่สรุปออกมาแต่เห็นนะเห็นแล้วยังรู้สึกไม่ความรู้สึกของเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกัน แล่วมันก็แสดงใจรักอยู่แล้วแต่ใจมันยังไม่สรุปเท่านั้นเองอะไรนะปฏิจจารสมาธาเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเบื้องต้นเราจะเห็นได้แต่ท่านปลย่ยเช่นมีกระทบสัมผัสทางตาหาูจมูกลิ้นกายใจเกิดเวทนามีกิเลสแทรกในเวทนาเกิดกิเลสแทรกเข้ามา มีกิเลสแล้วก็เกิดความอยากราค้าเกิดก็อยากได้โทรสะเกิดก็อยากหลับนี่มีตัณหาเกิดขึ้นมาจิตมันอยากจิตมันก็เข้าไปยึดถืออารมณ์อยู่ปาช้าเข้าไปยึดไปเกาะตัวอารมณ์ไว้แล้วก็พยายามทําบางสิ่งบางอย่างการจิตพยายามทําเช่นพยายามหลักสสิ่งที่ไม่ดีพยายามรักษาสิ่งที่ดีพยายามศึกษาพยายามค้นคว้าพยายามพิจรารณา นี่คือตัวพบคือความการทํางานของจิตเรียกว่าพบเอมีพบขึ้นมามันจะรู้สึกว่ามีเราเกิดขึ้นมีชาติเกิดขึ้นเสร็จแล้วใจมันจะหนักหนักแน่นแน่นนะแต่ยังอึดอัดขึ้นมามันมีทุกข์เกิดขึ้นนี่เราจะเห็นอย่างนี้นะเกิดมาจะเริ่มต้นปฏิบัติที่เห็นท่อนหลายในที่สุดปัญญามันจะเกิดเกิดบอกว่าถ้ามีสมุนไพยก็จะเกิดทุกข์ สมุทัยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะก็ความทุกข์เกิดขึ้นมานั้นมีความอยากเมื่อไหร่มีทุกข์เมื่อนั้นคุณง่ายง่ายเนี่ยเราจะเห็นได้แค่นี้เรายังไม่เห็นอีกขั้นหนึ่งถ้าเห็นอีกขั้นหนึ่งขั้ น, นต้นๆนะวิชาปัจจียาสังขาราตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้ามีขันนะคือมีตัวทุกข์ถ้าเราไม่รู้ความจริงของขันห้าว่าไม่ใช่เราเรียกว่ามียวิชาจิตจะเกิดความอยาก งั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกแจ่มแจง้งรู้ว่าปันห้าเป็นตัวทุกรวดร้วนไม่ใช่ตัวเราสมุทัยจะถุกละอัตมัติแต่ตรง น, นี้เรายังไม่เห็นนะเราจะเห็นท่านปลายท่านต้นจ ะ, จะเห็นได้ข่านต้นหมายถึงจะเห็นแต่เมื่อกําลังจะแตกหักกับอวิชชาลแล้วงั้นเราจะเห็นเลยว่าตัญหาทําให้เกิดทุกข์เพราะมีตัญหาก็าเลยเกิดทุกข์เราไม่รู้ว่า เราไม่รู้ทุกข์อยูเกิดทันหะไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์นะเป็นของโลกนะไม่ใช่ของเราเป็นก้อนทุกข์เราไปหยิบฉ่วยเอาก้อนทุกข์ที่ว่าเป็นของเราความทุกข์เลยระบาด้ามาสู่จิตใจได้พอความทุกข์ระบาด้ามาสู่จิตใจได้เราก็อยากให้คนทุกข์นี่เกิดความอยากนะมอยากให้คนทุกข์ก็จิตใจดิ้นรนจิตใจยิ่งดิ้นจิตใจก็ยิ่งทุกข์ จิตใจใยิ่งทุกจิตใจก็ยิ่งดิน้นในสังสาระวัฏเลยไม่จบสิน้นมีความดิ้นรนขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็ยิ่งดินนด้นรนดิ้นรนแล้วก็ยิง่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิน้นเป็นเปลียวที่พันกันเรื่อยๆไม่วัาจะหมุนเวียนอยู่ตรงนี้แต่ถ้าปัญญาแจ้งวันใดปัญญาแจ้งก็างกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์นะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราร่ากายนี้ใจนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา มันสามารถสลัดคือสามารถปล่อยวางความยึดตัวกายยึดตั ใ, ใจไปได้มันจะไม่มีความอยากเกิดขึ้นที่จะอยากให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขไม่มีแล้วเพราะกายนี้ใจนี้เป็นของโลกไม่ใช่ของเราแล้วไม่ต้องอยากให้มันสุขอีกต่อไปแไม่ต้องอยากให้มันพ้นพุ่งอีกต่อไปแลเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจปุ๊บแจ่มแจ้งเข้าใจขันห้าแจ่มแจ้งสมุทยัยคือความอยากจะถูกละอันโนมัตเพราะสมุทัยถูกละอันโนมัตนิโรดคือนิพพานเนี่ยจะปรากฏต่อหน้าตตาเรา นิทานคือความสิ้นตัญหานั่นเองปวดตาหน้าตาเต็มบริบูรณ์มีแต่ความสุขล้นล้นเลยกันนี่ทำไมมันสุขล้นล้นอะเพราะมันพ้นจากขันไปแล้วขันมันเป็นตัวทุกข์เรียกธรรมะมันลึกซึ้งค่อยๆเรียนนะอย่างตอนนี้ก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ส่วนหนึ่งละ <c oughs> ดีละเรียนกันเออไปขี้เกียจ ร, รูว่าขี้เกียจนะต้องคาถาหลวเพ้าชาไวน้นะ ขี้เกียจรือว่าปฏิบัติขยันที่ต้องปฏิบัติคือจริงๆแล้วเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้แจ่มไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาสติไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาสงบไม่ได้ฝึกเพอเอาดีแต่เราฝึกจนกทั่งเรามีสติขึ้นมาจิตรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเพื่อเราจะได้รู้ว่าจิต่อนหน้านี้หลงไบ ถ้าเรามีแต่ความหลงไม่มีความรู้สึกตัวเลยเราจะไม่รู้ว่าเรากาลังหลงอยู่แต่เราฝึกไปจสติโดยจริง เ, เกิดเราจะรู้เลยเมื่อกี้หลงไปรู้แค่นี้เหรอรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะเห็นว่าจิตจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อรู้สึกตัวเพื่อจะเอาความรู้สึกตัวไว้เยอะๆหรือเปล่า ก, ก็ไม่ใช่เพื่อจะได้เห็นอีกจิตที่รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยง จิตที่รู้สึกตัวสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาก็ไม่ได้ไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเอาจิตที่รู้สึกตัวนะถ้าเราฝึกเพื่อจะเอาจิตที่รู้สึกตัวแเราก็เราจะล้มลุกคลุกคลานเพราะว่าจิตที่รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงแต่เราฝึกที่รู้สึกขึ้นมาเพื่อจะได้รู้โอเมื่อกี้หลงวันนี้รู้เมื่อกี้หลงแต่รู้เนี่ยมันจะสลับกันอชุดหนึ่งจะเห็นเลยทั้งหลงทั้งรู้นั้นไม่เที่ยงทั้งหลงทั้งรู้ไม่ใช่เอาไว้เอา เรียกว่าใจของเราคล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนะทุกอย่างเป็นภูมิไม่ใช่ตัวเราใจจะเลิกดิ้นหแบบนี้แต่ที่เลิกดิ้นไม่ใช่ดิ้นเอาสุขนะไม่ใช่ดิ้นเอาสติไม่ใช่ดิ้นเอาดีไม่เอาทักอันใจหยุดการดิ้นโนดใจจะมีแต่ความสุขล้วนๆถ้าใจยังต้องดิ้นอยู่ใจก็มีภาวะมีความทุกข์รู้สึกไหมยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์นะ อยากปฏิบัติมันก็ดินนะยิ่งอยากปฏิบัติมากยิ่งดิ้นมากคนทั่วๆไปมันก็ดินอยู่แล้วล่ะอยากได้อารมณ์โน้นอยากได้อารมณ์นี้ก็มีความทุกข์อยู่หนึ่งชั้นมาพอลงมือปฏิบัตินะ้วทุกชั้นที่สองเลยมาคับตัวเองมไม่ได้หลักนะอ๋ะะอก็จบแค่ได้ลนะงูนี้มาหลายอาจารย์ แต่ก็เก่งนะที่เก่งมากเลยคือกล้าจริงของเก่ากล้าบอกว่าตัวเองไม่ใช่พราริยะจริงตัวนี้หลายคนเสียดายนะค น, นคนเสียดายบางคนแบบเป็นพระละหันนะนี่ก็ได้รับเหตุตอนจากครูบาอาจารย์มาเยอะเหมือนได้ยานทั้งร้อยหกสิบเ <c oughs> ่ใช่แค่า ย, ยานสิบหกที่จริงครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆที่ท่านสอนเรื่องมีไว้ท่านสอนเป็นบุบาย ตมนนีนได้ยาโน้ยนยาณี้มีคนทวงท่านตั้งแต่ยุคนูน้นแล้วว่ามันสมถะนะบอกท่านรู้แต่ว่าทําเป็นว่าเป็นญานโน้ยนยาณี้ให้คนได้กําลังใจจได้ปฏิบัติตอนเต็มอุบายเรื่องหลังไม่รู้ว่าอุบายนั้นนึกว่าของจริงแกก้งเก่งนะสว่างขึ้นมาวันที่สามเองวางโฟล์ววาบขึ้นมาเห็นในกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แยกกันเป็นส่วนๆแต่ละส่วนทํางานของตัวเองแต่ว่าใจมันมาเดินได้แค่นี้อริยมรรคเลยยังไม่เกิดไปตกใจให้สักก่อนโอ๊ยตัวเราไม่มีนี่ตัวเราหายไปไหนแล้วแต่เดิมฝึกกําหนดมาตั้งนานนะไม่เคยละความรู้สึกว่าตัวเราไม่มีได้เลยมียอะแนละ้วอาจาย์อาจารย์อาจารย์ฐานานิดอาจารย์รุ ผูอา น, นุโสก็ภาวนาดีคนที่เป็นเมียตารวจก็ภาวนาดีเรื่ว่าหลับจะถามเรื่องของตัวเองถามเรื่องอาจารย์นวลสิริ <c ười> แค่ไปอยู่วัดแห่งหนึ่งนะออกมาไม่ได้สี่ปีเนยเวลาเก็บตัวแล้วต้เก็บเป็นจริงๆข้บคุณหมูเป็นไงคุณหมูจิตเป็นไงตอนนี้ อเฮ้ยดิอ่อหมอภัยตังเครียดเลยแรู้ชะตากรรมเป็นไงไม่ข่าวว่าเอาโทรศัพท์ไปเก็บเลยตัวจตรวจกันบ้างจงใจไม่หยิบไปเห็นนั้นก็ไม่รู้นะคิดอะไรอยู่ <S <S <S อมอยากเป็นเงย เออดีดีดดนะรู้ไปมันจะรู้แล้วไม่ขยับเลยต้องหมดอาระแล้วตอนหน้านั้นขยับตลอดแล้วครูดูนถึงบอกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยมีผลเป็นผูมิจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมีผลเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกเพื่อตอบสนองรับต่ออารมณ์ทั้งหลาย แต่ว่ากุตุชนทั้งหลายเนี่ยเมื่อจิตไปกระทบอารมณ์ตรงออกนอกแล้วกระเพื่อมบั่นไหวไม่เป็นสมุทยัยมีคนเป็นทุกข์พระอริยะเจ้าเมื่อกระทบอารมณ์ตรงออกนอกนะออั้นกระทบอารมณ์แล้วไม่กระเพื่อมบั่นไหวมีความสงบสุขเป็นวิหารธรร ม, มอยู่ธรรมะพระอริยะเจ้าขอท่าน ห, หมายถึงพระรหังคำสอนของหลวงปู ด, ดูลนี่นะเป็นคำสอนระดับที่พูดกับพระรหังเลย อย่างตามว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรทำไมไม่พูดเรื่องจิตเห็นอันห้าเป็นมรวพาตอนมรอะรหัตมรสุดท้า ย, ยจิตมันรวมลงมาที่จิตอันเดียวแล้วมันเห็นว่ า, ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นได้ปล่อยวางไปหมดแล้วหรือจิตอันเดียวหรือแต่ธรรมชาติรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เ, นเดียวที่เป็นตัวเรานี่พอจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็เลยเกิดอรหัตมรขึ้นมารู้ว่าตัวธาตรู้ไม่ใช่ตัวเรา คืนภาดรู้ให้ธรรมชาติได้สลัดคืนภาดรู้ทิ้งไปนั้นึงแบบจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคไม่ใช่จิตเห็นจิตในขั้นต้นๆนะมรรคต้นๆจะดูกายก็ได้ดูอะไรก็ได้ดูไปเลยแต่เวลาตัดได้ตัดเข้ามาที่จิตทั้งสี่ฟังนะไม่ได้ไปตัดที่กายนะแต่ว่าดูกายไปก็ได้ดูเวทนาก็ได้จจิตมันเต็มภูมิธรรมชั้นที่สามัจะรวมลง ม, ม, มาที่จิตอี้ รสบรรดารูปเสียงกลิ่นรสบทสภาอะไรที่ยั่วยวนภายนอกนี่ไม่มีความหมายอะไรกับพระอนาคาที่พระอนาคาติดอยู่นี่คือความสุขความสงบในจิตติดความสุขติดความสงบด้วยรูปปาราคาอรูปปาราคะติดอกติดใจในความรู้ในธรรมะไม่ว่าอุทัดจับแล้วก็ปลื้มบกปลื้มใจแค่ว่าเราสบายแล้วเอาตัวรอดแล้วคนอื่นยังลําบากอีกนี่เรียกว่ามันะ แล้วก็ยังไม่รู้แจ้งแ่งตลอดอนิยสัตว์สีลึกๆจะรู้สึกตลอดหรือว่าไม่รู้อริยสัตว์มันก่อนที่อาจารยรสรา์สุรวัตรมาอาจารย์สุรวัตรบอกว่าจิตมันรู้ตลอดเวลาเลยว่ามันไม่รู้แจ้งอนิยสัตว์แต่ว่าไม่รู้แจ้งในส่วนไหนนี่ไม่รู้นะไม่รู้หรอกว่ายังขาดส่วนไหนรู้แต่ว่าไม่ไม่แจ้งตรงนี้เรียว่ายังมีอวิชชาเราะฉงนัตรงกิเลสเรื่องสูงสังยุดเรื่องสูงเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่แต่จิตกระใจทั้งหมดเลย เป็นเรื่องทางความรู้สึกในใจเท่านั้นเลยไม่มีเรื่องของตามที่เป็นของภายนอกดการตะลุนบอลในยกสุดท้ายนี่เป็นตะลุนบอยกันที่จิตตะลุนบัลตรงที่จิตนี้นะไม่มีที่พึ่งแล้วนะพี่วัยนี่ว่าทำไมต้องสู้ตายเพราะแต่เดิมสู้กันที่กายใช่ไหมเมื่อกายมั น, นวุ่นวายเหน็ดเหนยมากเราก็หลบเข้ามาอยู่กับจิตหลบเข้ามาพักจิตที่สงบตอนนี้ไอ้ที่พักอันสงบนั่นแหละถูกลูกระเบิด ไสเข้ามาใสเข้ามาจนถึงตัวรู้แล้วซึ่งเป็นตัวสุดตัวสบายกลายเป็นว่าคนหน้ากิเลสอยู่ตรงนี้เองนอนต ก, กอยู่กับสตูโดยไม่รู้ตัวนะเกิดรู้ว่ามันเป็นสตูขึ้นมาแล้วมันอยู่ติดตัวเองอันนี้มันตะลุมบอนแล้วประเภทแลกหมันแลกมวยเลยนะ <c oughs> มีมีดมีไม้ทุซัดใส่กันให้เ็มที่เพราะฉะนั้น มันต้องตับเพื่อ ม, มันต้องไหวมันต้องทำงานห้ามมันไม่ได้นะเจ๊เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเออเลยเป็นสกิเอฮว่าไงเออเออหลวงพ่อจะเปลี่ยนชื่อสิหลังเดี๋ยวจะไม่กล้าโบราณบังคับมากไปมันเกิด ม, มีอะไรไหย ไม่มีเชิญกลับบ้านครับรบทุกคนแล้วตอนนี้